ผู้พิชิตสัตว์รายกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในดินแดนอันห่างไกล ย, ยังมีนักปั้นดินเผาผู้ยากจนอาศัยอยู่กับภรรยาของเขาชายแก่ทุ่มเทอย่างมากในการสร้างหายแต่ก็ยังยากจนอยู่เขาจะกลับมาพร้อมเงินเพียงน้อยนิดเสมอทั้งคู่มีลูกที่โตแล้วสองคนลูกชายมีชื่อว่าไลโอเนลเขาเป็นหนุ่มรูปงาม แต่ขี้กลัวแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆน้อยๆพี่สาวของเขาลิลลี่เธอมีความงดงามดุดดั่งดอกทานตะวันและมีเมตตาพ่อแม่รักพวกเขาทั้งคู่อย่างสุดใจลูกที่รักของข้าถ้าโชคเข้าข้างโราสักนิดเราก็คงดีกว่านี้มันต้องดีอยู่แล้วลิลลี่ที่อ่อนหวานต้องมีสิ่งดีๆมาหาลูกแน่นอน ส่วนไลโอเนลอ๋ออืไลโอเนลเขามีชื่อราวกับสิงโตแต่หัวใจเล็กเจียวยังกับแมวเขาไม่กล้าหานเอาซะเลยเด็กคนนั้นจะทำอะไรได้นะไม่ต้องห่วงเขาเหรอกเมื่อถึงเวลาของเขาเขาจะต้องเป็นคนที่กล้าหานที่สดจนสิงโตยังต้องอายเลยละ่ะ ติดโตทุกตัวคงละอายใจละสิไม่ว่านในวันที่งดงามวันหนึ่งลิลลี่ได้เข้าไปในป่าและฮัมเพลงแด่วพวกสัตว์นกที่น่ารักในป่าเดียวกันมีพ่อมดใจดีคนหนึ่งกําลังอยู่ตรงนั้น mm hmm. เขาเห็นลิลลี่กําลังร้องเพลงอย่างมีความสุขและเขาได้ตกลุมรักในความงามที่น่าทึ่งของเธอในทันทีอะ mm hmm. อะไรจะสวยงามมากกว่าป่าอันงดงามแห่งนี้ออเจ้าแม่หญิงสวยงามของข้าช่างมีสเสน่ห์เลือกเกินแบบที่ข้าไม่เคยเห็นมา ก, ก่อนเขามอบดอกกุหลาบแด่ลิลลี่และเธอก็ตกลุมรักในแววตาที่อ่อนโยนของเขาลิลลี่พาพ่อมดมาที่บ้านของเธอและบอกพ่อกับแม่ว่าเธอต้องการแต่งงานกับพ่อมดเขาช่างเป็นคนที่ใจดีมากและเขาให้สัญญาว่าจะดูแลข้าอย่างดี แต่ค่าอาจต้องไปอยู่ห่างไกลกับพวกท่านและท่านจะไปพบเราไม่ได้พ่อแม่ของเธอตกใจกับเรื่องนี้แต่เมื่อมองเห็นรอยยิ้มของลูกสาวพวกเขาได้อวยพรให้เธอขอบคุณมากที่มอบลิลลี่แด่ค่าข้าสัญญาว่าจะรักเธอตลอดไปนี่ของขวัญสําหรับพวกท่านแล้วก่อนท่านพ่อแล้วก่อนท่านแม่ไปแน่เลยโอเนลสักวันข้าจะกลับมาเยี่ยม และพอเขาดีดนิ้วพวกเขาก็หายไปในทันทีตอนนี้ครอบครัวได้กลายมาร่ำรวยด้วยของขวัญจากพ่อมดช่างปั้นดินเผาและภรรยามีความสุขมากแต่หลายวันผ่านไปไลโอเนลก็เริ่มคิดถึงพี่สาวของเขาอย่างมากโอ้ข้าคิดถึงลิน ล, ลี่มากตอนนี้ไม่มีใครให้ข้าคอยทะเลาะด้วยแล้ววุ่นวายอะไรกัน เห็นฟูงชนกำลังมุงดูของบางอย่างที่คนขายกำลังขายอยู่และโอเนลพยายามดูว่ามันคืออะไรโอ้มันคืออะไรอะไรเนะ่อืมแค่รองเท้ากับกุญแจงั้นเหรอแล้วทำไมผู้คนต้องตื่นเต้นกับของสองอย่างนี้ล่ะพ่อหนุมมันไม่ใช่แค่นี้รองเท้าและกุญแจนี้เป็นของวิเศษจริงเหรอแต่ว่ามันดูธรรมดามากเลยนะ มันไม่ใช่เลยรองเท้านี้สามารถพาคนใส่ไปได้ทุกที่ที่ต้องการและกุญแจนี้สามารถเปิดประตูที่ปิดอยู่ได้ทุกบานในโลกนี้ถ้างั้นข้าอยากได้มันข้าจะซื้อมาจากท่านนี่พอไหมอืมเกินพอเลยละ่ะไลอันเนลเอากุญแจไว้ในกระเป๋าและสวมใส่รองเท้าตอนนี้มาดูกันว่ามันจะใช้ได้จริงหรือไม่รองเท้าวิเศษ พาข้าไปหาพี่สาวข้าทีและในพริตตาเขาพบว่าตัวเองได้มายืนอยู่ต่อหน้าพี่สาวและพ่อมดเออแล้วไลอนเนลลิลลี่อ๋ลิล ล, ล, ล, ลี่ข้าคิดถึงเจ้ามากโชคดีของข้าที่ได้มาพบเจ้าแต่เจ้ามาที่นี่ได้ยังไงรองท้าบูธพาข้ามามันวิเศษไปเลย มันเยี่ยมเลยใช่ไหมรองเท้าเวทมนต์เหรอมันเยี่ยมไปเลยทำไมเจ้าไม่อยู่กับพวกเราซะละ่ะเออไม่เป็นไรหรอกข้ามาเพื่อดูว่าเจ้ามีความสุขดีไหมและข้าตื่นเต้นที่จะได้ใช้รองเท้าคู่นี้ไปดูดินแดนแห่งใหม่ข้าว่าแล้วเจ้าไม่ได้สนใจข้าเท่าไหร่หรอกถ้างั้นข้ายากให้ท่านลองไปที่ดินแดนแห่งคริสโลได้ยินมาว่า พระราชาใจดีมากเขาต้องต้อนรับเจ้าอย่างดีแน่นอนอ๋อใช่ที่นั่นสวยงามมากลองไปดูนะไลโอเนลแล้วเจ้าจะไม่ผิดหวังเลยละ่ะดินแดนให้งคริสตัลฟังดูดีนะนี่เอาลูกคริสตัลนี้ไว้กับเจ้านี่เอาไว้ทำไมเหรอแล้วมันใช้ยังไงเจ้าจะรู้ในยามที่เจ้าต้องการมันจริงๆไลโอเนลบอกลาพวกเขา และเขาพร้อมที่จะไปข้าหวังว่าจะได้อยู่ในดินแดนแห่งคริสตัลและท่านใดนั้นเขาได้มาอยู่ในดินแดนที่งดงามบ้านทั้งหลายถูกตกแต่งด้วยคริสตัลหลากหลายสีสันผู้ชายและผู้หญิงต่างประดับไปด้วยคริสตัลที่ส่องประกายในเส้นผมและเสื้อผ้าของพวกเขาว้าวทั้งหมดนี่อัศจรรย์ไปเลยทุกๆอย่างที่ข้าเห็นส่องประกายงดงามไปหมดข้าไม่อยากเชื่อเลยและผู้คนก็ดูมีความสุข ข อ, อเดาเลยนะว่าการอยู่ท่ามกลางสิ่งสวยงามนี้เป็นใครจะไม่มีความสุขละ่ะตอนนี้ข้าอยากไปพบพระราชาแล้วรองเท้าวิเศษพาข้าไปพบพระราชาแห่งคริสตัลอืมว้าวข้าเข้ามาอยู่ในพระราชวังแล้วมันน่าทึ่งยิ่งไปอกีกที่ไหนที่เราจะพบพระราเจ้าเป็นใครอ๋อและพระราชาแห่งดินแดนคริสตัล กำลังนั่งรับประทานอาหารกับลูกสาวของเขารูบีราชาทรงแปลกใจมากที่เห็นไลอเอนิลและมองเขาอย่างไม่เชื่อสายตามอข้ามาเจ้าเป็นใครและเข้ามาในพระราชวังของข้าได้อย่างไรข้าข้าชื่อไลอเนลฝ่าบาทข้ามาด้วยรองเท้าวิเศษได้ยินมาว่าอันดาจากของท่านช่างมาศิรจาจนและเออข้าเลยมาอยู่ตรงนี้รองเท้าวิเศษงั้นเหรอมันทาได้อย่างไง ข้าแค่พูดชื่อของสถานที่ที่ข้าอยากไปแล้วก็บูมรองทเท้าก็จะพาข้าไปราชาคริสตัลรู้สึกสนใจในรองเท้ามากทำไมเจ้าไม่มาร่วมทานอาหารกับพวกเราล่ะนี่ลูกสาวข้ารูบี้เมื่อเห็นรูบี้หัวใจของไลโอเนลก็ละลายเพราะเธอช่างงดงามกว่ายิ่งใดที่เขาเคยพบข้ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง รองท้าวิเศษพาข้าไปนั่งข้างๆรูบี้เจ้าหญิงแห่งดินแดนคริสตัลเออมันวิเศษจริงๆเจ้าอยู่ในอนาณาจักรของข้านานเท่าไหร่แล้วข้าอยู่ที่นี่แค่ไม่กี่นาทีแต่ว่าสิ่งที่ข้าเห็นในไม่กี่นาทีมันมากกว่าที่ข้าเห็นมาทั้งชีวิตผู้คนที่นี่ก็ดูมีความสุขมากๆเช่นกัน ข้าก็คงจะมีความสุขเช่นกันกับพวกเขาหากเพียงข้าไม่ได้กำลังแก่ลงและลูกสาวข้าได้แต่งงานข้าไม่เคยบอกว่าจะไม่แต่งข้าแค่บอกว่าจะแต่งงานเฉพาะกับชายที่สามารถฆ่าสัตว์ร้ายได้สัตว์ร้ายสัตว์ร้ายอะไรกันอ๋อคือว่าผู้คนในดินแดนแห่งนี้มีความสุขมากแต่เมื่อพระอาทิตย์ตกดินในตอนเย็น ทุกคนต้องเข้าไปหลบอยู่ข้างในเพราะว่าสัตว์ร้ายจะออกมาคุกคามทุกคนไม่มีใครรู้ว่ามันอยู่ที่ไหนหรือจะกำจัดมันได้อย่างไรและข้าอยากจะแต่งงานกับชายที่สามารถจัดการเรื่องนี้ได้ตอนนี้เจ้ารู้หรือยังว่าทำไมข้าถึงไม่มีความสุขสัตว์ร้ายลหรอมันน่า ก, กลัวหรอมากมากเลยละสายตาที่มันจ้องมาทำให้ผู้ชายกรีดร้องเหมือนหนูตัวเล็ ก, เ ล, ก, เ, ลกเลย แล้วเจ้าจะไม่แต่งงานกับชายผู้กล้าในด้านอื่นเหรอถ้าเขาข่าแมงมุมมีขนอะไรแบบนี้ที่ข้าสามารถฆ่าได้ได้ด้วยนิ้วมือของข้าน่ะเหรอโอ้ไลอเนีลที่น่าสงสารรู้สึกหวาดกลัวในสิ่งที่เจ้าหญิงรูบี้พูดแต่เขาตกลุมรักเธออย่างลึกซึ้งและต้องการเอาชนะใจเธอให้ได้ก็ได้ข้าจะทำมันข้าจะปราบเจ้าสัตว์ร้ายที่น่ากลัวนั่น อะไรนะเป็นไปไม่ได้เจ้าไม่ได้ยินที่ข้าบอกเหรอไม่มีใครรู้ว่าสัตว์ร้ายอยู่ที่ไหนข้าจะหามันให้พบไว้ใจข้าเถอะราชาของข้าข้าจะจบยุคที่น่ากลัวนี้เพื่อท่านเย็นวันนั้นไลออนนิวเตรียมพร้อมที่จะไปเขาสงสัยว่าเขากำลังจะทำอะไรเราจะทำอะไรกันแน่เราไม่รู้จะทำยังไงเมื่อเจอสัตว์ร้ายช่างมันเถอะเราต้องทามัน เราต้องกล้ า, าหานเราเท้าวิเศษพาข้าไปที่อยู่ของสัตว์ ร, ร้ายและ ว, วินาทีต่อมาไลอนเนลรีพบว่าตัวเองได้มาอยู่ตรงหน้าของประตูบานใหญ่ในป่าลึกข้างหลังของเขามีเทาวัณหนาห้อยอยู่ตามต้นไม้ประตูถูกซ่อนอยู่มิหน้าไม่มีใครหาสัตว์ ร, ร้ายพบเขาพยายามเปิดประตูออกแต่มันก็ปิดสนิท ประตูไม่ขยับเลยเข้าจะทำยังไงดีเดี๋ยวก่อนสิคุณแจและจากกระเป๋าของเขาเขาหยิบกุญแจเวดมนที่สามารถเปิดได้ทุกประตูโอ้ข้าหวังว่าจะได้ผลนะได้โปดได้โปรด Yes ประตูเปิดออกอย่างช้าๆยับเผยให้เห็นทางเข้าที่มืดมิดตแ ต, ต, ต, ต่ตอนนี้ ข้าต้องเ ข, ข, ข, ข, ข้าไปในถ้ำนี้เพื่อกำจัดสัตว์ร้ายไม่มีอะไรทำร้ายผู้ยิ่งใหญ่เลยอนเนลข้าต้องทำได้แล้วเลยอนเนลรวบรว ม, รว ม, รวมความกล้าและเข้าไปยังถ้ำที่มืดมิดในนั้นเขาแอ บ, บเข้าไปอย่างเงียบๆมไม่มีวี่แววของสัตว์ร้ายเลยถึงมันจะออกไปข้างนอก และตรงนั้นเองเขามองเห็นสัตว์ร้ายกำลังหลับสนิทมันน่ากลัวมากที่จะมองดูเสียงกรนของมันทําให้ทุกอย่างในถ้มสั่นสะเทือนไปหมดสัตว์ร้ายข้าเจอมันแล้วตอนนี้ผมต้องหาวิธีจัดการมันไลอโอเนลเข้าไปใกล้ๆมันเขาย่อลงเล็กน้อยเพื่อจับตาดูมันอว เสียงแตกดังพอทำให้เจ้าสัตว์ ร, ร้ายตัวใหญ่ตื่นขึ้นมันลุกขึ้นและมองไปที่เลโอเนลที่น่าสงสารที่ตอนนี้กลัวมากจนขยับไม่ได้โ อ, โอ้ไม่นะเราเป็นใครกล้าด้ยังไงเข้ามาในทำของขารบกวนการนอนของข้าสัตว์ ร, ร้ายจับเลโอนลด้วยกรงเล็บขนาดใหญ่และขังเขาไว้ในกรงขนาดใหญ่ เจ้าคนตัวเล็กโง่เขลาเข้ามาในทํำกงเขา เ, าเจ้าจะทำได้อย่างไรเจ้าใช้เวทันอะไรกล้าหันไว้แล้วแนวเข้มแข็งเข้าไว้เออเอ เ, อเอจ้าเห็นไหมข้ามีนี่นี่ลูกแก้วคริสตัลที่จะจะจะช่วยให้ข้าไปที่ไหนก็ได้ที่ข้าอ ย, ยากไปลูกแก้วคริสตัลทีนี้เจ้าก็ทําอะไรไม่ได้แล้ว ตอนนี้เขาจะจบโจไปไลโอเนลคิดว่าเขาจะออกไปได้ยังไงมันดูเหมือนทุกอย่างจะจบแล้วแต่เขาก็คิดขึ้นมาได้สัตว์ร้ายผู้ยิ่งใหญ่ท่านดูแข็งแกร่งมากแต่ท่านแข็งแกร่งอย่างที่เขาว่าจริงเหรอข้าเป็นแค่นักเดินทางและข้าอยากรู้โอ้แข็งแกร่งเหรอข้าทั้งแข็งแกร่งและยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนี้ ไม่มีใครสู้กับข้าได้ท่านโกหกใครจะแข็งแกร่งได้ขนาดนั้นตกจากพลังของท่านเป็นเรื่องปลอมพลังของข้าเป็นของจริงเจ้ามนุษย์ไม่เหมือนกับลูกแก้วปลอมๆของเจ้าพลังของข้าเกิดจากแรงใจของข้าที่เปลี่ยนมันเป็นคริสตลัลและซ่อนมันไว้ในถ้าคริสตัลของดินแดนนี้ถ้าคริสตัลเหรอมันคืออะไร มันเป็นถ้ำที่เต็มไปด้วยความประหลาดเศษผลึกเคตลต้าที่อัศจรรย์ไม่มีมนุษย์คนไหนสามารถเข้าไปได้และไม่มีใครในอนาณาจักรนี้จะเข้าไปได้เมื่อข้าเริ่มคล้องรอดว้าวท่านทั้งเป็นสัตว์ร้ายที่แข็งแรงและกล้ า, าหาญนั่นแหละข้ายุดคุยแค่นี้แหละข้าต้องออกไปล่าแล้วตอนนี้ข้าหิวมาก <c oughs> โอ้ oh, ไม่ต้องข้าจะกินเจ้าหลังจากนั้น <laughs> สัตว์ร้ายออกมาจากถา้ำและข่มขู่ผู้คนในอนาณาจักรทิ้งให้ไลออเนลกลัวอย่างมากเฮ้อขอบคุณพระเจ้าเขาไปแล้วเขาบอกข้าพอที่จะทำให้ข้าจัดการเขาได้แล้วเราเทาวิเศษพาเขาไปยังถ้ำคริสตัลและเมื่อเขาลืมตาขึ้นเขาพบว่าเขาอยู่ในถ้ำ ม, มืดมดที่สวยงามเต็มไปด้วยคริสตัลระยิบระยับ มันมีขนาดต่างๆมีสีสันมากมายและงดงามจนเลายอเนวเกือบลืมว่าเข้ามาที่นี่ทําไมไม่ข้าต้องตั้งสติข้าต้องหาหัวใจของสัตว์ร้ายโดยเร็วแต่ว่าอย่างไงละ่ะนี่มันมีคริสตัลเต็มไปหมดเลยอันไหนคือหัวใจของสัตว์ร้ายนะทันใดนั้นลูกแก้วคริสตัลก็ได้เปล่งประกายขึ้นในมือของเขาเขามองมันอย่างประหลาดใจอืมแปลกมากมันไม่แสดงอะไรให้ข้าเห็น อและเมื่อเขามองเข้าไปในคริสตัลมีอันหนึ่งที่เปลี่ยนสีต้องเป็นอันนี้แน่เลยต้องเป็นหัวใจของสัตว์ร้ายข้าเจอมันแล้วเขาจับคริสตัลอันนั้นและโยนมันลงพื้นมันตกลงไปและแตกเป็นสิ่งเสียงกว่าล้านเศษและหายไปยมันจบแล้ว รอท้าวิเศษพาข้ากลับไปหาราชาแห่งดินแดนคริสตัลโอ้โอ้พระเจ้าเจ้าทาให้ข้าตกใจนันเนี่ยฟาบาทเจ้าหญิงข้าทำสำเร็จแล้วข้าจัดการสัตว์ร้ายได้แล้วจริงเหรอเจ้าจัดการสัตว์ร้ายได้จริงเหรอใช่แล้วฟาบาทท่านเป็นอิสระจากความหวาดกลัวแล้วตอนนี้ผู้คนของท่านปลอดภัยแล้วโอ้ตอนนี้พวกเราดีใจมาก ขอบคุณมากพอ่อหนมแต่มันยังมีสิ่งหนึ่งที่จะทำให้ข้ามีความสุขมากรูบี้เอเขาเป็นคนปราบสัตว์ร้ายและตามที่ข้าสัญญาข้ายินดีที่จะแต่งงานกับท่านและในวันต่อมามีการจัดงานพิธีอันยิ่งใหญ่ขึ้นผู้คนต่างร่วมยินดีปรีดาแดกการแต่งงานของเจ้าหญิงและผู้พิชิตสัตว์ร้าย เจ้าหญิงข้ากล้าหารใช่ไหมในการฆ่าสัตว์ร้ายตัวใหญ่แบบนั้นน่ะเหรอใช่แล้วท่านฉันกล้าหารข้ามีความสุขมากที่ได้สามีที่กล้าหารเช่นท่านและข้าก็มีความสุขเช่นกันที่ได้คนที่อ่อนหวานและงดงามฮะฮะแมงมุม่